พระชนะขององค์พระพิเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่15และพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่16ความว่าแล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภชุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่การไม่ได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับซึ่งเราซึ่งผู้เป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสำรวจตัวเองเพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะต้องปิดบัญชีกลางปีนะครับคนที่ทำธุรกิจ ก็จะรู้ดีนะครับว่าการปิดบัญชีกลางปีนั้นก็เป็นเหมือนกับการประเมินตัวเองครับเป็นการดูแลเป็นการตรวจสอบตัวเองสำรวจตัวเองที่น้องครับในบริบทของพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่สิบสอนะครับถ้าได้มีโอกาสอ่านต่อไปเราจะรู้ว่าพระมพทีได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐีนะครับคนที่เป็นเศรษฐีนะครับก็คนจีนบอกว่าต้องมีทั้งสองอย่างคนนี้เป็นเศรษฐีได้นะครับก็คือทั้งเก่งและก็เฮงเข้าไหมครับ เก่งก็คือว่าจะต้องมีสติปัญญาพอสมควรแล้วก็เฮงก็คือว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยช่วยเขาอยู่ข้างหลังนะครับไม่ว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนั้นก็ถือโชคลางนะหรือชะตาราศีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาจะต้องกราบไหว้บูชาสําหรับคริสเตียนแล้วเราว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับก็จะเป็นเหตุที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าสติปัญญาของเราความเก่งของเรานั้นก็มาจากพระเจ้า ในเวลาเดียวกันนะครับโอกาสจังหวะนะครับก็มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราประสบความสาเร็จนะครับทุกๆคนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้และมีนามาไทยของโปร่งเป็นแผนการของพระเจ้าที่วางเราไว้อยู่ในโซนหรือพื้นที่นะครับที่ทุกวันนี้ถ้าถามว่ามีความสุขกันไหมครับพี่น้องครับมีความสุขไหมครับพระเจ้าได้วางเราไว้อยู่ในสถาบันหรือว่าในพื้นที่ หรือในบ้านและครอบครัวที่มีความสุขพอสมควรแต่ตรงเนี้ครับเป็นเหตุที่ทําให้หลายหลายคนนั้นก้าวก้าวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่แห่งความสุขสบายภาษาอังกฤษเรียกว่า comfort zone นะก็คือเวลาที่เราเก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกสบายนะครับผมรู้สึกเริ่มเออพอลนะเนี่ยความรู้สึกที่รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเค ความรู้สึกตรงนี้นครับเป็นความรู้สึกที่พระมหิได้เตือนเราในเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ของข้าพาเจ้านะครับก็คือจากคอมฟอร์ตโซนนะครับ to the end zone จากพื้นที่สบายนะครับไปสู่พื้นที่แห่งชัยแห่งชัยนี่หมายถึงว่าเป็นชัยชนะภาษาอังกฤษนะครับเขาจะมีขั้นตอนคือว่า from the comfort zone to combat zonecombat zone ก็คือพื้นที่แห่งการต่อสู้รบนะครับ แล้วก็ไปถึงเอ็นโซนถ้าพี่น้องชอบดูอเมริการณฟุตบอลเนี่ยจะรู้ว่า end zone เอ็นโซนนี่ก็คือพื้นที่แห่งชัยชนะก็คือว่าถ้าคนนะครับที่เป็นนักกีฬาเนี่ยรับลูกได้เมื่อไหร่เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ใน end zone เอ็นโซนนี่ถือว่าเขาชนะเฉนันชีวิตคริสเตียนนั้นก็เปรียบเหมือนกับว่าเรานั้นจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะครับพื้นที่แห่งความสุขสบายเนี่ยนะครับ เข้าสู่พื้นที่แห่งสงครามและการต่อสู้และในที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็จะนำเราด้วยพระคุณของพระเจ้าและการช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยไปสู่็ zone ก็คือพื้นที่แห่งชัยชนะมีคนหนึ่งครับสตีฟจอ o b ์นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับบอกว่า sometimes when you innovate you make mistakes it is best to admit them quickly and get on with improving your o t h e r innovations ความหมายครับว่าในบางครั้งที่เราสร้างนว นวัตกรรมเราทำผิดพลาดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับให้เร็วและก้าวต่อไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมชิ้นต่อไปในการทำงานของเรานะครับหลายหลยครั้งทีเดียวเนี่ยเราประสบความสำเร็จบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ซิปจ็อบเนี่ยได้ให้กำลังใจลูกน้องที่อยู่ในบริษัทของเขาได้ให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรหลายหลยครั้งทีเดียวเราทาผิดพลาด แต่ด้วยความตั้งใจที่เราจะทำนวัตกรรมใหม่เพื่อโลกนะครับเราต้องยอมรับว่าเราเก้าผิดพลาดและยอมรับให้เร็วและด้วยเก้าวต่อไปนั้นเราจะสามารถพัฒนานวัตกรรมชิ้นต่อไปได้ผมมีหลานคนหนึ่งนะครับชื่อเอริกเขาทำงานอยู่ที่ซิลิคอนซิลิคอนวันเล่เนี่ยทำงานกับบริษัทนี้ครับแลวบริษัทนี้เ น, เนี่ยเมื่อผมเข้าไปดูความเก้าวหน้าของบริษัทนี้นะครับ ซิฟชอปพูดอยู่อย่างครับว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้เปล่งศักยาภาพของคุณอย่างเต็มที่ที่นี่เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้เปล่งศักยาภาพของคุณอย่างเต็มที่ก็พูดกับทุกน้องของเขาทุกคนอย่างนี้นั่นหมายความว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นคอมฟอร์ทโซนไม่ใช่เป็นพื้นที่สบายๆที่เราจะทํางานอยู่และก็ใช้ชีวิตของเราด้วยความสะดวกสบายด้วยความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่สุขสบายนี่นะครับฝรั่งเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนครับ น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาใช่ไหมครับแต่ปัญหามันมีที่ว่าสถานที่หรือพื้นที่ที่เราปลอดภัยมากจนเกินไปนะครับมันจะสร้างความกลัวที่เราจะไม่กล้าเดินไปสู่ที่ใหม่สิ่งใหม่ๆและนี่แหละครับคือความอันตรายของมันมันทําให้เราเกิดความเคยชินครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เนี่ยติดอยู่กับพื้นที่สบายและความเคยชินตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกกระตือรือร้นเขาจะไม่รู้สึกที่จะเปล่งศักยภาพ ความสามารถประสิภาพในตัวเขาเองน่นะครับและศักยภาพต่างๆที่มีตัวเขาเนี่ยจะถูกบทบังไปหมดเลยครับนะหลายคนอาจจะบอกว่าก็ดีแล้วนี่เมื่อเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็ดีแล้วนี่จะดิ้นรนทำไมเพราะว่าชีวิตก็มีเท่านี้แหละพี่น้องครับเพราะเจนะาของพระเจ้าเนี่ยสอนเราให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับสิ่งต่างที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับนะครับเราต้องรู้ว่าพื้นที่คอมฟอร์ตโซนหรือความพื้นที่สบายๆเนี่ย มันจะส่งผลร้ายกับเราในระยะยาวครับถ้าเราหลงติดอยู่ในพื้นที่นี้ผมอยากยกตัวอย่างมีซ e o คนหนึ่งนะครับมาริบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศเรานะครับลาออกจากซ e อและไปอยู่บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นบริษัทที่เล็กกว่าถึงหกสิบเท่านะเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ว่าเพราะว่ามันสบายเกินไปจนผมไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยจากบริษัทเดิม ผมไม่เหลือความท้าทายอะไรให้ผมอีกแล้วแต่เมื่อผมเข้าไปเซิร์ชใน Google หรืออ่านหนังสือใหม่ๆก็ไม่รู้จะเอาระไาใช้ในบริษัทผมเหมือนกับเราทํำมาหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกของคนที่ตัดสินใจและออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ลงมาทําบริษัทที่เล็กกว่าถึง60ิบเท่าปรากฏว่าเขาก็สัมภาษณ์ตอบไปพรับว่าเมื่อคุณเนี่ยมาทํางานบริษัทที่เล็กกว่าถึง60สิเท่าเนี่ยคุณมีความรู้สึกไงเขาบอกว่ามันแปลกแล้วมันท้าทายมันเป็นมวยรอง มันเป็นมวยรองและทําให้เลือดลมของเขาเนี่ยสูดฉีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่คนที่มีประสบการณ์จากคอมฟอร์ตโซนนะครับออกจากคอมฟอร์ตโซนสู่คอมแบทโซนและในสุดนะครับเขาเขาได้รับความสําเร็จบริษัทที่เล็กกว่าทั้งหกสิบเท่าเนี่ยก็จเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาใ น, านพระเจ้านะครับได้กล่าวไว้ถึงเศรษฐีเศรษฐีคนเนี่ยถูกจัวหัวข้อเรื่องนะครับว่าเป็นเศรษฐีงโง่ครับ ทำไมเขาถึงเป็นเศรษฐีโง่เพราะว่าเขาประสบความสําเร็จเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนี่นะครับและแต่กลับไม่เคยคิดว่าวันเนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขานะเขาพลาดที่ยังคิดว่าจะมีเวลาใช้เงินจะมีความสุขสบายจะมีความรื่อนลมกับความสําเร็จของไรนาที่เกิดผลมากนับเป็นเรื่องธรรมดาของการวางแผนชีวิตนะครับพวกเราก็วางแผนชีวิตกันอย่างนี้ใช่ไหมครับหลายคนเข้าใกล้กเกษียณเหมือนผมเนี่ยนะครับอีกประมาณไม่กี่ปีก็กเกษียณแล้ว เรากำลังวางแผนชีวิตของเราที่จะเข้าสู่การกเกษียณวางแผนกเกษียณแล้วไปทำสิ่งที่ชอบไปอยู่ในที่ที่ชอบนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นยังไงเป็นอะไรตามพระประสงค์ของพระองค์กันแน่เพื่อครับจากตรงนี้นะครับทำให้เราเห็น m i n d s ซ t หรือวิธีคิด2งแบบและวิธีคิดนี่นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับไซ็สองแบบที่นี่ก็คือ Com Zone และเ พี่น้องครับเราดูนะครับว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยได้บอกกับตัวเองว่าจิตใจเอย๋ยเจ้ามีทรัพสมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายคอมฟอร์ทโซนนะครับจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเรืองเองถิดพี่น้องครับหลายหลาคนเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเราโอเคมีเงินพอแล้วนะครับเรามีหุ้นอยู่ในต่างต่างเยอะแยะมากมายนะครับเรามีทรัพสมบัติทรัพย์สินมากมายแต่ถามว่าเรากําลังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่านะครับเหตุผลที่เราจะต้อง ก้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระดับความกังวลของเราเนี่ยนะครับคือคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคือพฤติกรรมของคนเราที่ทําให้เรามีความกังวลน้อยมีความรู้สึก ส, สบายใจนะครับคนคนหนึ่งที่ว่าจอห์นมาเดนนะครับได้เขียนว่าอย่างนี้บอกว่าการไม่เสี่ยงอะไรเลยถือว่าเป็นความเสี่ยงมากที่สุดการรู้สึกว่าไม่เสี่ยงอะไรเลยเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงมากที่สุด พี่น้องครับใครอยคิดไหมครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยทุกวันนี้นะครับมีบางตัวซึ่งเป็นดอกเบ er ี้ยนะครับศูนเปอร์เซ็นนะครับไม่มีดอกเบี้ยเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราฝากเงินไว้ในแบงก์นะครับเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเรารู้สึกว่าอะไรครับการฝากเงินในแบงก์เนี่ยเป็นการปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับไม่เสี่ยงอะไรเลยแต่ปรากฏว่าอะไรครับเป็นความเสี่ยงที่สุดคนคนนี้พูดถูกครับในชีวิต จ, จริงของเราเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมาเป็น หลักประกันของเราไม่มีใครที่จะสามารถรับประกันได้ว่าเราจะมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นการว่าคอมฟอร์ทโซนนะครและสำหรับหลายลคนเนี่ยเป็นการมโ น, โนเองหรือเปล่านะครับเหมือนกับเศรษฐีท่านนี้เศรษฐีท่านนี้ก็คิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเขาปดเกระเซ็แล้วนะครับในยุ่งฉังของเขาเนี่ยโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายต้องสร้างยุ่งฉังใหม่ต้องสร้างโกดังใหม่ พี่น้องครับเศรษฐีที่ประสบความสิ็จคนนี้ไม่เคยคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขาเราจะต้องก้าออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับเพราะจะทําให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสําเร็จพี่น้องครับการที่เราจะต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนี้เป็นไมเซตนะครับเป็นวิธีคิดของคนที่เป็นคริสเตียนคนเป็นสาวกพระเยซูเพราะฉะนั้นครับการที่เราเห็นคอมฟอร์ตโซนนะครับการที่เราเห็นเอ็นโซนนะครับทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผมอยากจะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องหลังจากที่ฟังคําเทศนาการแบ่งปันในวันนี้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหตุผลที่เราต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนประการแรกครับหนึ่งเราจะต้องทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จการที่เราจะต้องทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จนั้นก็คือการก้าวออกจากพื้นที่สุขสบายเพราะเหตุที่ว่าพื้นที่สุขสบายเนี่ยดึงเราออกจากวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งไว้สําหรับเรา พื้นที่สุขสบายหรือคอมฟอร์ทโซนั้นดึงเราจากวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเราพี่น้องครับโลกมันเนี่ยโลกเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเรามีคริสจักรใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเรามีคริสเตียนใหม่มารับเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเรามีอนุชนนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆมีความรู้ใหม่มีไฟที่จะเสนอตัวทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าเรามีสมาชิกใหม่ๆที่ย้ายออกมาจากคริสจักรนะครับหลายซิสจักรที่มีมีไฟ นะครับและอยากจะรับใช้พระเจ้าเนี่ยครับถ้าเราติดอยู่กับความสุขสบายความเคยชินและอะไรต่ออะไรหลายหลอย่างในคอมฟอร์ตโซนนี้นะครับในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองจะไม่ก้าวหน้าและเ ม, แลมเมื่อเราไม่เมื่อเราไม่ก้าวหน้านะครับภริษจักของเราก็ไม่ก้าวหน้าครอบครัวเราก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเรารู้สึกว่าทําไมต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแหละในเมื่อเราก็แน่นอยู่แล้วนะครับ เ, เราก็เย็นเย็นสบายๆนะครับเราก็ ต, ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรต้องเปลี่ยนแปลงล่ะพี่น้องครับถ้าเราคิดแบบนี้นะครับเรากําลังติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเต็มๆครับในพระเจ้าข้าบอกเจ้ากล่าวนะครับในบทที่ยี่ิบแปดข้สิบเก้ายี่สิบเนี่ยเป็นพระหมหาบัญชาที่บอกกับมนุษยท์ทุกคนที่เป็นสาวกของพระเยซูทุกยุคทุกสมัยบอกว่าเหตฉะนั้นเจ้างหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติที่เป็นสาวกของเรานะครับให้รับอับสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระมิยานบริสุทธ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งัสิทธิ์ที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่เนี่เราจะยจอยู่กับเจ้าอย่างเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่มาถึงขึ้นจากทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเหมือนเดิมเราก็จะทําให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าไม่สําเร็จอย่าลืมนะครับว่าคอมฟอร์ทโซนดึงเราออกจากวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราประการที่สองครับทําไมเราต้องออกจากคอนอมฟอร์ทโซน เพราะว่าคอมฟอร์ตโซนนั้นมีอันตรายนะครับอันตรายในคอมฟอร์ตโซนรัประการแรกก็คือทำให้เราเสียนิสัยพี่น้องครับคอมฟอร์ตโซนเนี่ยครับเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของเราได้นะความจริงแล้วนะฮะถ้าเราพิจารณาถึงเศรษฐีนเศรษฐีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่โง่แน่นอนเศรษฐีเนี่ยนะครับมอีอ่หลายสิ่งหลายอย่างที่ประกอบกันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เขาเป็นเศรษฐีได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่นะครับเราดูชีวิตของเศรษฐีเนี่ยอย่างน้อยๆ เ, เนี่ยเขาต้องมีความมานะอุตสาหะเขาต้องมีการเรียกว่าเก็บสะส ม, สะสมนะครับเขาต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ทําให้เขาเป็นคนรวยได้เป็นเศรษฐีได้เพราะเศรษฐีนี่ไม่ได้โง่นะครับไม่ได้จนนะครับไม่ได้ไม่เก่งทุกคนที่มีเงินนะครับเป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่ถามว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลง ต, ตัวตนของเขากลายมาอยู่ในคอมฟอร์ทโซนได้เพราะอะไรครับ เพรว่าความรู้สึกสะดวกสบายในคอมฟอร์ตโซนี่เองเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของเศรษฐีเช่นเดียวกันครับคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเปลี่ยนอุปนิสยัยใจคอจริงๆของเราได้กับจากการที่เราเป็นคนที่มุมาณมีความภาคเพลยนพยายามเมื่อประสบความสําเร็จนะครับถึงจุดจุหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะล่อยเริ่มเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนและตรงนี้ครับเป็นจุดที่เสียงและอันตรายมากนะครับถ้าเราเป็นสิ่งนะครับ พ, พี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่า you are what you eat คุณเป็นสิ่งที่คุณกินคุณกินอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นนะ you are what you eat แต่อ r i s t o t เนี่ยพูดอย่างนี้ครับว่า you are what you repeated do คุณเป็นสิ่งที่คุณทำซ้ำๆบ่อยๆ excellence therefore is not an act but an habit เพราะฉะนั้นความความเป็น excellence นะครับมันไม่ใช่เป็นการกระทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันเกิดจากอุปนิสัยของเรานิสัยของเราอ r ิสโต t พูดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราทําเป็นแฮบดนะครับให้มันเป็นนิสัยเนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นความภาคเพียรพยายามความขยันขันแข็งเนี่ยมันนําไปสู่ความสาเร็จแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเรามีนิสัยที่ติดเสพติดคอมฟอร์ทโซนแล้วเราก็นะครับมันจะเกิดความขี้เกียจครับถ้าเราขี้เกียจนะครับ BBL นะครับ Ben Best Learning เนี่ยสอนบอกกันงี้ว่าถ้าเราขี้เกียจเนี่ยสมองก็จะทํางานในรูปแบบขี้เกียจขี้เกียจตามนิสัยที่เราขี้เกียจแต่ถ้าเรานะครับ ขยันขันแข็งขึ้นมานะครับทําอะไรอย่างหนึ่งที่ผิดแปลกไปจากเดิมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนสร้างงานใหม่ๆหาอะไรที่ท้าทายมาทำพี่น้องรูไหมครับว่าสมองเนี่ยจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ๆจะมีการเชื่อมโยงใ ย, ยประสาทใหม่ๆขึ้นมาแต่มันยากครับเพราะอะไรครับเพราะนิสัยเสพติดสิ่งเก่าๆหรือความสะดวกสบายเก่าๆนี่ยคอยขวางอยู่แต่ทุกครั้งเลยนะครับที่เราพยายามเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับ พี่น้องจะรู้ไหมครับว่าสิ่งใหม่ๆที่เราทำมากขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทักษะและเกิดความง่ายขึ้นมันกลายเป็นอุปนิสัยของเราและอุปนิสัยใหม่ของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะควบคุปอุปนิสัยเก่าด้วยนี่คือกําลังใจที่เราจะได้นะครับจากการที่เราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนสู่คอมแบทโซนและสู่เอ็นโซนในที่สุดพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าเตือนเรานะครับในรวมบทที่12บสอข้อสอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านที่จะเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับอุปนิสัยของเรานะครับจะเปลี่ยนใหม่เพื่อเราจะได้ทราบธรรมทธัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพัทธ์ยและอะไรดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่เอ็นโซนเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนะครับนะเราต้องทําตัวให้แตกต่างเราจะต้องออกจากพื้นที่นี้เพราะเรารู้ว่าอันตรายอยู่ในพื้นที่นี้ครับทำให้เราเสียนิสัยครับทําให้เราเนี่ยเสพติดกับเอ็นโซน และทำให้เราไม่ยอมลุกขึ้นทำตามน้ำาันไทยของพระเจ้าประการที่สามครับเอนโซนั้นทำให้เราไม่เติบโตเอโซนั้นทาให้ขอโทษครับคอมฟอร์ตโซนนั้นทำให้เราไม่เติบโตเพราะคอมฟอร์ตโซนนั้นทำให้เรารู้สึกสบายครับมีใครบ้างอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมครับหรือพัฒนาตัวเองเวลาที่เราสบายแล้วไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเวลาที่ อยู่สบายก็อยากอยู่สบายสบายแบบนั้นไปกันไปด้วยกันตลอดยิ่งเราเก้าออกจากคอมฟอร์ทโซนได้เร็วเท่าไหร่พี่น้องครับเราจะเข้าสู่ความสําเร็จและใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะคนอื่นนั้นมัวแต่อยู่สบายสบา ย, สบายในคอมฟอร์ตโซนแต่ถ้าเราเก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่นะครับเราจะเติบโตเราจะพัฒนาชีวิตของเราและที่สำคัญที่สุดนะครับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับจะรับการพัฒนามีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ก้าออกจากคอมฟอร์ทโซนครับนะฮะ ถาเราอยปรารถนาความสําเร็จปรารถนาความเติบโตเราต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเราต้องตามหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆเพื่อเรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้นียงครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับได้กล่าวบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือความเติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความภัยบุลของพระคิดให้เราดูในสองเทนิการบทที่หนึ่งข้อที่3นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอและเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จำเริญยิ่งขึ้นความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วยอันนี้มีสองอย่างครับความเชื่อจเจริญขึ้นนะครับความรักก็จเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่หยุดโตครับคริสเตียนนั้นเติบโตเสมอความเชื่อของเราต้องมากขึ้นความศรัทธาความไว้วางใจการพึ่งพาพระเจ้าต้องมากขึ้น นะครับในเวลาเดียวกันความรักของเราที่มีต่อทุกคนก็ต้องมากขึ้นเพราะชนะอีกตอนหนึ่งนะครับสองเปยตัวบทที่สามข้อสิบแปดได้กล่าวว่าแต่ขอท่านหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราเพียงครับขอพระเกียรติพระสิริที่มีที่เราจะถวายกับพระองค์นะครับไปถึงพระองค์เพราะอะไรครับเพราะเราเติบโตเพราะเรา เติบโตสู่ความไปบุญของพระคิดเรามีชีวิตที่ที่สำแดงถึงพระเยซูเหมือนกับพระเยซูนะครับประเด็นต่อไปที่ผมจะกล่าวก็คือเราจะ ด, ดูว่าใครก็ตามนะครับอันนี้เป็นเช็คลิสต์นะครับมีอยู่หข้อด้วยกันถ้าเรามีอาการอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับอาการแรกครับรู้สึกว่าชีวิต เหมือนเดิมทุกวันพี่น้องมีความรู้สึกนี้ไหมครับชีวิตก็อย่างนี้ละครับตื่นขึ้นมาก็ทําอย่างนี้หลังจากนั้นก็ทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นอย่างเนี้รู้สึกเหมือนเดิมทุกวันอันนี้คือกับดักแรกหรือสิ่งแรกที่แสดงว่าเรากําลังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วนะครับก็คือการยืนอยู่ที่เดิมย่ําเท้าอยู่ที่เดิมทําสิ่งเดิมๆทุกวันหากเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับอยากจะเจออะไรใหม่ๆได้เวลาแล้วครับพี่น้อง นะครับเขาบอกว่าให้หายใจลึกๆนะครับตัดสินใจก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนก้าวออกจากชีวิตในรูปแบบเก่าๆนะครับออกมาทําอะไรครับออกมาเพื่อที่จะแสวงหานามาไทยของพระเจ้าแสวงหาว่าพระเจ้านั้นมีพระทยัยมีความประสงค์อะไรจากชีวิตของเราในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในการที่จะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่อันที่หนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนเดิมทุกวันนะครับภาษาวัยรุ่นสมัยผมเนี่เรียกว่าเซง อันที่สองครับรู้สึกหมดแรงบันดาลใจครับนะการหมดแรงบันดันใจนี่ก็คือะไรมันไม่มี motivation มันไม่มีแรงจูงใจที่จะให้เราไปทำสิ่งใหม่ๆการหมดแรงบันดันใจเขาใช้คำว่าการใช้คือการใช้ชีวิตที่ในรูปแบบที่ไร้จุดหมายแต่เมื่อคนเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่ไรจุดหมายใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยเราจะหยุดเดินและยืนอยู่กับที่ครับการยืนอยู่กับที่นะครับ ย่อมไม่ช่วยให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนครับแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้ใครมาอุ้มเราออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับเพราะว่าจะไม่มีใครอุ้มเราครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนเหมือนกันพี่น้องครับถ้าเราพูดลอยๆบอกว่าเราอยากจะไปเที่ยวทะเลแล้วเราก็ซื้อวิดีโอมาดูที่บ้านนะครับอันนั้นเราได้เที่ยวทะเลหรือเปล่าครับหลายๆคนบอกว่าไม่อยากไปต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่านั่งนั่งนั่งนั่งเครื่องบินเนี่ยนานมากเลยกว่าจะไป เยี่ยมลูกเยี่ยมหลานไปที่ต่างๆนะครับซื้อวิดีโอมาผมเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับซื้อวิดีโอมาดูก็เหมือนกับเราไปเที่ยวนะครับแล้วเรานั่งสบายๆอยู่ที่บ้านหลายหลายคนไม่มาโบสถ์เพราะอะไรครับเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกานะครับมีมีการเทศนาผ่านผ่านผ่านจอโทรทัศน์ผ่านจอทีวีทุกสัปดาห์นะครับทาให้คนไม่ไปโบสถ์ครับนะก็ดูทีวีก็ได้นะครับเหมือนกัน อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทําให้คริสเตียนต่างประเทศเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะโบสเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยอยู่หัดไปไม่กี่บล็อกอะครับแต่ก็ไม่อยากไปเพราะอะไรครับเพราะว่าดูทีวีดีกว่านะคนที่เทศนาผ่านทีวีเนี่ยเขามีความสามารถในการพูดนะเขาเทศนาได้ดีดีกว่าอาจารย์ที่โบสถนะ์ก็ไม่ไม่ไปโบสครับเมื่อไม่ไปโบสนะครับเขาก็เข้าไป zone, อยู่คอมฟอร์ตโซนอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าหมดแรงบันดาลใจที่จะไปโบส หมดแรงบันดาลใจที่จะไปสามาัคคีทำนะครับนี่เป็นประการที่สองประกัรที่สามครั บ, บประการที่สามก็คือว่ารู้สึกสนุกเมื่อได้ทำเรื่องใหม่ๆการที่รู้สึกสนุกเมื่อได้ทำเรื่องใหม่ๆนะครับแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดียวประดาตรงนี้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากาลังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่นะครับแต่ว่ามันมันสนุกเท่านั้นเองเราทำเพราะสนุกนะ ถามว่าทํำข้อสนุกเนี่ยใครก็อยากทําใช่ไหมครับแต่ถ้าทำแล้วไม่สนุกแล้วครับทําแล้วด้วยความภาคเพียรพยายามทําแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ถูกคนเข้าใจผิดถามว่าอย่างเนี้ยมีใครอยากทํำไหมครับมีใครออกจากอยากจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนไหมครับไม่ค่อยอยากจะมีใช่ไหมครับแต่ทําแล้วสนุกมีคนมีคนอยากออกออกจากคอมฟอร์ทโซนมากมเลยแต่ผมจะบอกให้ครับว่าเมื่อเราสู่คอมแบทโซนนะครับคืออะไรครับพื้นที่แห่งสงครามครับไม่ได้มีความสุขสบายนะ เป็นความทุกข์ยากลำบากบ้างนะเป็นสิ่งนี้ต่างๆที่เราจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคหลายอย่างบ้างแต่เป็นสิ่งท้าทายครับพี่น้องและเมื่อเราเข้าออกจากคอมฟอร์ทโซนเข้าสู่คอมแบทโซนนี่นะครับพระเจ้าจะช่วยเราก็เราเป็นลูกของพระเจ้าเราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวเองในการอยากที่จะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลมากขึ้นนะครับนี่เป็นประการที่สามครับประการที่สี่ครับ ถาเรารู้สึกเบื fact, ่อกับสิ่งที harms, ่เราทําอยู่เร็วเกินไปแล้วเปลี่ยนความสนใจไปอยู่เรื่องอื่นๆบ่อยๆนั่นก็แสดงว่าอะไครับเราออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเรากลับเข้าหูคอมฟอร์ทโซนอีกทีอย่างเงี้ยเราก็ออกไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปอันนี้คืออะไรครับความรู้สึกเบื่อเร็วกับสิ่งที่ทําอยู่ประการที่ห้าครับรู้สึกว่าชีวิตว่างๆไม่มีอะไรทําความรู้สึกว่าว่างๆไม่มีอะไรทํานะครับเป็นการขยาย อาณาเขตของคอมฟอร์ตโซนซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับความรู้สึกที่เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เริ่มก่อตัวขึ้นจนในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าว่างจนไม่รู้จะทําอะไรแล้วหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราอยากเรียนรู้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับทีนี้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะได้เรียนรู้และน่าเรียนรู้มากนะครับโดยเฉพาะยิ่งคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนีคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยโปรแกรมทั้งหลายซอฟต์แวร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกสมองได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ในการรับใช้พระเจ้าได้ นะครับสุดท้ายครับความรู้สึกว่าเก่งที่สุดแล้วในที่ที่เราอยู่นะครับเก่งที่สุดแล้วในที่ที่เราอยู่นี่คือกับดักสุดท้ายที่เราจะเจอเพราะอะไรครับโอกาสที่เราจะเก่งที่สุดหรือรู้ทุกอย่างนะครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงในบริษัท ต, ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดเดี่ยงเต็มปากว่าผมหลับตาแล้วผมเห็นหมดผมรู้ทุกอย่างไม่ใช่ครับนะหากเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแ ส, สดงว่าคุณอยู่ อยู่ในที่ที่เล็กเกินไปสาหรับคุณแล้วครับได้เวลาออกเดินทางตามหายอดฝีมือที่จะทําให้คุณรู้สึกฉลาดน้อยลงแล้วครับเหมือนอย่างที่สตีฟเจ้าบอกนะครับว่า stay hungry stay foolish หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจงหิวกระหายที่เรียนรู้และจงทําตัวให้โง่อยู่เสมอเพื่อครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสองนะครับได้บอกว่านี่คือคําพูดของอัครทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ชฉลยไว้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้า ทำอยู่อย่างนึงคือบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยนี่คือความหมายที่อัครทูตเปาโลพูดไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วซิปจ๊อบก็บอกว่า stay hungry stay foolish นัานหมายความว่าให้เราหิวกระหายที่จะเรียนรู้ให้เรามีความรู้สึกหิวตลอดเวลานะครับให้เรามีความรู้สึกว่าเราโง่ตลอดเวลานั่นคือวิธีการวิธีการออกจากคอมฟอร์ทโซนครับพี่น้องสุดท้ายนะครับผมจะยกตัวอย่างในพระคมี อยู่คนคนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในพระมปีนั่นคือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเวลาเขาเข้าในคอมฟอร์ตโซนนะครับก็คือดาดฟ้าพระราชวังของเขาครับแล้วก็เดินไปเดินมานะครับเขาก็ทอดพระเนตรไปเห็นใครครับนางบาดเชบาเนี่นะครับคืออันตรายของคอมฟอร์ตโซนพี่น้องควรรู้นยครับว่าบาปของดาวิดเนี่ยอยู่ดีๆไม่เไม่ได้อยู่ ด, ดีก็เกิดขึ้นมาเองนะครับ ดาวิดเองเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้ตัวเองล้มลงและทําบาปท่านละทิ้งภารกิจในสนามรบนะครับเลือกที่จะอยู่อย่างสุขสบายนี่นะครับเราก็เหมือนกันนะครับคุณและผมอาจจะตัดสินใจทําสิ่งเดียวกันก็ได้ก็คือว่าแทนที่เราจะออไปรบแทนที่ออกไปประกาศพรกิติคุณแทนที่ออกไปนำวิญญาณรับเชื่อพระเจ้าแทนที่จะไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ยากเรากลับอยู่สบายสบายของเรานะครับเลือกที่จะอยู่สบายสบาย และเลือกที่จะทําให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงครับกาซาดาวิทเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกอยู่อย่างสะดสบายแทนที่จะออกไปรบในสนามรบกับแม่ทัพของเขานะเขานเนี่ยนะครับขึ้นไปบน ด, ดาดฟ้าและในที่สุดเนี่ยเขาก็เอานางบัชเชบาซึ่งเป็นภรรยาของอูรีอาคนฮิตไทเนี่ยมาเป็นภรรยาของตัวเองแทนที่จะทําตามน้ำมันไทยของพระเจ้าดํารงชีวิตอยู่ภายใต้วิทยในควบคุมตัวเองนะครับและ สามารถที่จะมีเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสําเร็จในที่สุดเราจะเห็นถึงอันตรายของเอนโซนขอโทษนะนั่นเราถึงอันตรายของคอมฟอร์ตโซนนะครับพี่น้องเราเห็นถึงอันตรายของคอมฟอร์ตโซนเท่าะหลายและครั้งทีเดียวนะครับชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยท้อถอยในการแบกกังเขนติดตามพระเยะซูเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเราเพราะว่าแบกกังเข็มานานพอสมควรนะครับเหนื่อยล้นะครับรู้สึกท้อถอยแล้ รเราอาจจะเข็ดขยาดเราเบื่อหน่ายนะครับเพราะการดำเนินชีวิตที่เป็นคริสเตียนแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเรากำลังอยู่ใน combat zone นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหรก็ตามนะครับอย่าอย่ามองหาสิ่งที่ดีดี comfort comfort นะครับนะให้กับชีวิตของเราให้ดาเนินต่อไปเหมือนกับท่านเปาโลบอกว่าเลยครับข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าข้าพเจ้าได้เวยไว้แล้วข้าพเจ้าบากบาั่นมุ่งไปสู่หลักชัย นะครับในเช้าวันนี้นะครับผมจะขออนญาตแบ่งปันเฉพาะแค่คอมฟอร์ตโซนนะครับในการเทศนาข้างต่อไปเราจะพูดถึงคอมแบดโซนและเอ็นโซนต่อไปนี่คือซีรีส์นะครับในการแบ่งปันพระญา้าของพระเจ้าเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับสุดท้ายนะครับผมจะยกตัวอย่างนี้ครับว่าคอมฟอร์ตโซนนั้นเปรียบเสมือนกับนิทานเรื่องคนตัดฟืนกับเจ้านายของเขาคนตัดฟืนเนี่ยนะครับรักเจ้านายมาก เขามักจะตัดฟืนมาให้เจ้านายผิงฝอวันแรกเนี่ยเขาใช้เวลาสิบชั่วโมงในการถ่าฟืนตัดฟืนเนี่ยนะครับได้ฟืนมาหนึ่งกองแต่วันที่สองเนี่ยใช้เวลามากขึ้นครับสิบเอ็ดชั่วโมงได้ฟืนมาหนึ่งกองวันที่สามเนี่ยก็ใช้เวลาสิบสองชั่วโมงได้ฟืนมาหนึ่งกองยิ่งตัดยิ่งใช้เวลานานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆก็ถามเจ้านายว่าเจ้านายค่าน้อยเนี่ยทําอะไรผิดไป ตั้งใจดีนะครับเจ้าหน่ายยิ้มและถามสั้นๆว่าคุณรับขวานครั้งชุดท้ายเมื่อไหร่คุณรับขวานครั้งชุดท้ายเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องราวที่เตือนสติเราทั้งหลายนะครับว่าเรารับขวานของเราเรารับขวานของเราเนี่ยที่จะไปตัดฟืนเนี่ยให้มันมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราหลายหลคนเนี่ยเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนครับ การรับขวานคือการฝึกฝนตัวเองเอาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและให้สร้างนิสัยที่ดีนะครับสร้างอุปนิสัยที่ดีในการที่เราจะถวายชีวิตของเราเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเราม า, านําการเปลี่ยนแปลงถึงครอบครัวของเรานําการเปลี่ยนแปลงมาถึงขึ้นจักรของเราที่ทํางานของเราคําถามก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับว่าพี่น้องครับพวกเรารู้สึกว่าขวานเราเนี่ยเริ่มทื่อหรือเปล่า เริ่มทื่อหรือยังถ้าเริ่มทื่อนะครับรับสิครับรับดาบของเราให้ให้คมก็คือการรับดาบคือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ลึกซึ้งให้ทราบซึ้งและด้วยความเชื่อความศรัทธานี่เองจะทำให้เราขวานของเรานะครับคมอีกครั้งหนึ่งทำสิ่งที่ท้าทายทำในสิ่งที่ไม่เคยทาขอบพระเจ้าอวยพร